มาสั่งใจทุกคนกำหนดไม่อย่างจะใกล้กันอย่าทำจิตอย่าเช่งนตัวคนโน้นตัวคนนี้แต่ค้าจะนั่งอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าแห่งตนอองน้นเรืออย่างเงี้ยนั่งตัวที่เรานั่งอยู่เฉพาปะปัจจุบานนี้มีอะไรบ้างมีกายกับจิตเพราะนั้นแหละมีกายกับจิต สองอย่างเท่านั้นรวมแล้วที่เรานั่งอยู่ปัจจุบนันนี้มีกายกับจุตโดยตรงจะมีกายกับจุดสองอย่างเท่านั้นกายคือสิ่งทั้งหมดที่เรานั่งอยู่ในตอนนี้เป็นกายออืจุด ก็คือสิ่งที่นึกคิดดับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้เรียกว่าจิตหรือเรียกว่านามหรือรูปท่านเรียกว่านามรูปนามหมายถึงสิ่งที่ว่าไม่เป็นรูปไม่มีรูปจะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้หรความรู้สึก ทุกอย่างอืเรีกยกว่าเป็นนามเข็นเบานาสัญญาสังขารวิญญาณอเวทนาก็คือหมายความว่ามันไม่รับความสุขหรือความทุกข์บบนี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นนามมาทำเป็นแบบนามออืมืม เรียกว่ารูปกำนามตาเห็นรูปเรียกว่ารูปความรู้สุดเป็นนามเรียกว่ารูปพระธรรมนามพระธรรมก็เรียกว่ากายกับจิตเท่านี้ ทิ้งทั้งหลายนี่มันเกิดจากนี่มันยุ่งหลายอย่างตามอาการของธรรมนั่นฉะนั้นเราต้องการความสงบเราจะให้รู้รูปกับนามยึ่งายกับจิตเท่นี้ก็พอที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตเข้าใจอย่างนี้มีกายกับจิตอืแต่จิต ที่มีอยู่เดี๋ยนี้จิตที่ยังไม่ได้ฝึกจิตยังสกรปรกจิตนี้ยังไม่สะอาดอไม่ใช่จิตเดิมจำเป็นจะต้องฝึก ข, ขัดจิตอันนี้ทำงา น, นตันจริงให้สงบเป็นบางครั้งอย่างในวันนี้ ที่อาตมาจะพูดแนะนาเนี่ยอย่าไปลำคาญไม่ต้องไปลำคาญต้องเพิ่มสวารู้ในใจให้เกิดขึ้นสมมติว่าเรานั่งสมาธิสมาธินี้ที่เรียกว่าสมาธินี้ไม่ใช่ว่ามีแต่การนั่ง เดินมันก็เป็นสมาธิก็ได้บางคนก็เข้าใจว่าการมั่งนี่แหละเป็นสมาธิอือไอ้ความจริงๆการยืนการเดินการนั่งการนอนหลักปฏิบัติเท่านั้นทําสมาธิให้เกิดขึ้นในทุกขณะสมาธิหมายตรงข้นไปว่าไอ้ความตั้งใจมั่นอืมความตั้งใจมั่น เั็นปกติใมลืนเช่นวันนี้เรามาจากบ้านทุกคนมาถึงอ่าภูเขาท่ามสนเชศนี่ทุกคนมาจากบ้านแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะไอ้จิตของเราเนี่ยกับบ้านที่อยู่ของเรานั้นเนี่ยมุนติดตามไปอยู่เสมอถึงจะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องไปจดลงที่บ้านของเราเอง อย่างนีก้การทำสมาธิไม่ใช่ว่า ก, การไปกักขังตัวไว้บางคนก็เข้าใจว่าการทำสมาธิฉันจะต้องหาความสงบจะไปนั่งไ ม, ม่ให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยจะไปนั่งเบบนีอ น, นั่งกับคนตายไม่ใช่คนต้น คือถ้าทำสมาธินี่คือทําให้รู้ทําให้เกิดปัญญาทําไม่มีปัญญาเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นมีอารมณ์อเนี่ยวอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์อะไรอารมณ์ที่ถูกต้องนั่นแหละเรียวกว่าอารมณ์อเนี่ยธรรมดาคนเราเป็นนั่งให้มันเงียบเฉยเฉยบางคนเป็นทุกข์หลายอืโดยมากนักศึกษานักเรียน เคยก็มากราบอุตมาว่าไอ้ฉันนั่งสมาธิมันไม่อยู่เนี้ยมันก็วิ่งไปนอนเนียมันก็วิ่งไปนี่ในรู้จะทจำจะให้มันอยู่มันอยู่ๆแต่ของนี่ของหยุดอยู่ไม่ได้อืมไอ้ที่มันวิ่งไปมามันแค่มันไม่วิ่งมันเกิดความรู้สึกคนในที่นี้ไม่ใช่มันวิ่งไปวิ่งมาบางคนตั้งมาพ่อมันวิ่งไปฉันก็ไปดึงมันมา ดึงมาอยู่ที่นี่มันก็เดินไปทางนั้นอีกมันดึงมันมาก็ได้นั่งไปดึงเหยียงนั่นแหละจิตเนี่ยเข้าใจว่ามันดึงมันดึงจากความรู้สึกของเราตามความเป็นจริงนั้นอย่างสลาหลังนี้แม่มันใหญ่เหลือเกินมันก็ไม่ใหญ่หรอกที่ว่ามันใหญ่คงเป็นเพราะความรู้สึกของเราแค่นั้นสลาเนี่ยมันไม่ใหญ่มันก็เท่านี้แหละแต่เรามาเห็นแม่สลาหลังนี้มันใหญ่เหลือเกิน ไม่ใช่ธาามันใหญ่อย่างนั้นมันเป็นแก่ความรู้สึกของเราอ่ะมันใหญ่ไอ้ความเป็นรินธาราหลังนี้มันก็เท่านี้มันไม่ใหญ่ไม่เล็กเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็วิ่งไปตามอาการของความรู้สึกนึกคิดของเราอือตามภาวนาให้มันสงบคำที่ว่าสงบนั้นเราจะต้องรู้เรื่องของมันถ้าไม่รู้เรื่องของมันมันก็ไม่สงบ เห็นยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้วันนี้เน่ะเราเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ปากกาที่เราซื้อมาตั้งห้าร้อยบาทหรือพันบาทเรารักมันอมพอเดินมาถึงที่นี่เราเอาปากกาบางเออไปวางในที่หนึ่งใช่อืมเช่นเอาใส่ในกระเป๋าน้าอีกมาละหนึ่งจะไปใส่กระเป๋าหนังกระเป๋าข้างหลังช่ ไปเลยมาคำดูกระเป๋าข้างหน้าไม่เห็นเลยโอ้ยตกใจซะแล้วตกใจถ้าความมันไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละจะยืนจะเดินจะเหินแต่มาไม่สบายนึกว่านั่นนึกว่าปากกาเราหายแกของนั้นมันไม่หายหรอกมันอยู่กระเป๋าหลังสิมันไม่หายแกเรานึกว่ามันหายมันเกินก็ทุกข์ไปด้วยเพราะความรู้ผิดคิดผิด นี่อความคิดผิดรู้ผิดชนนี้มันเป็นทุกข์ทีนี้เราก็กังบลเมื่อกังวลไปกังวลมาเนี่ยมันเสียดายมันเนี่ยปากตาปากงี้น่ะเสียดายมันคือก็มาใช้ไม่กี่วันยิหายมีความกังวลอยู่อย่างนี้อยูีกในคณะหนึ่งนึกก็มาโออเราไปอาบาน้ำตรงนั้นเราจับมาใสกระเป๋าหลังนี้ น, นี่พอนึกได้ชนนี้ ยังไม่เห็นปากกาเลยดีใจซะแล้วนั่นเหใช่ไหอดีใจซะแล้วไม่กังวลในปากกานั้นอมืมันแน่ซะแล้วอืแล้วประเด็นมาดูตามมารำดูเห็นเนี่กระเตาหนังอจริงเออเนี่ยมีอย่างนี้มันก็หกเราทงนั้นแหละปากกาไม่หายมันโกหกว่ามันหายแล้วก็ทุกข์เพราะเราไม่รู้หิุดกัแต่กังวลเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นทีนี้ว่าเห็นปากกาแล้วนะ่ะ รู้แน่วล้วราเห็นแล้วหาสช่งสายแล้วมันตัวสงบนี่ความสงบเช่นนี้เดี๋ยวก็จะเห็นต้นตอมันปเป็นตัวสมุไทยอันมันเป็นเหตุในทุกข์เกิดเราก็ทุกตัวสมุไทยเป็นเหตุในทุกข์เกิดพอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังนี้แน่นอนแล้วเราเป็นนิโรธหลับทุกแน่นี่มันเป็นซะอย่างนี้ มันถูกหลอกลวงในตราดเวลาอันนี้อือย่างนั้นสะพุฒองต่อยเียรนะหาสมถะที่เราทําความสงบด้วยสมาธินี้อืมันสงบจิตมันไม่ใช่สงบกิเลสไม่ใช่สงบกิเลสมันนั่งทับมันไปมันสงบเฉยๆอย่างนึงเหมือนกัหินทับหญ้าพอหญ้ามันมีหินมาทับมันก็ดับไปพอหินทับมัน อีสามสี่ห้าวันหกเจ็ดวันนมายกหินออกหญ้ามันก็เคยขึนอี้นี่แปลว่าอันนั้นหญ้านยังไม่ตายคือมันระงับมันสงบจิตไม่ใช่สงบจิตนี่เรื่องสมาธิจริงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบนีเ้เราจะต้องที่เรนาสมาธิก็สงบแบบหนึ่งแบบหินทับหญ้าหลายวัน ไปยกหินออกจากหญ้าหญ้ากตะเกิดขึ้นอืมนี่สงบแจ่ขาวอืสงบแจ่คาวสงบเรื่ปัญญาอืคือไม่ ย, ยกหินออกทับมันในนั้นแหละหญ้ามันเกินไม่ได้นี่เรียวกว่าสงบแท่สงบกิเลสแน่นอนนี่เขเรียวกว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธินี้ เมื่อเราพูดแยกกันออกก็ไปฆ่าส่วนตัวไอความเป็นจริงมันตัวเดียวกันนั่นเองแหละตัวปัญญานี่มันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิแถวนั้นอนี่มันออกจากจิตอันี้เองแต่มันแยกกันออกไปเข้าใจว่าอย่างนั้นมันเป็นคนลักษณะเมื่อมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆแล้กแต่มันโตขึ้นมาอีก แล้วก็มันสุกแล้วมันจนเน่าเนี่มัม่วงใบนี้ก็คือมังม่วงใบเดียวกันไม่คนใบเดียวไอ้มันเล็กัวใบนี้มันโตขึ้นมากกวใบนี้มันสุกกว่ใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะแต่มันเป็นมัม่วงใบเดียวกันนโยมทั้งหลายจะพึ่งข่าใจกับการปฏิบัติธรรมะนั่นแหละถูกแล้วเราปฏิบัติธรรมอาจารย์ยังท่านเรียกว่าสมาธิ อาการอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปัญญาไอ้ความเป็นจริงศิลป์สมาธิปัญญาเนี่ยคือของอันเดียวกันไม่แจกคนหนอย่างเหมืมอนมะม่วงใบเดียวกันผลผลเล็กก็ใบนั่นแหละมันโตก็ใบนั่นแหละมันสุกก็ใบนั่นแหละใบเดียวนั่นแหละแจกว่ามันเปลี่ยนอนาการเท่านั้นเราก็วิ่งตามมันไปเรืยเรื่อยเรื่อยือยไอ้ความเป็นจริงให้กับการปฏิบัติที่อะไรก็ชั่งมันต่ะ ให้เริ่มออกจากจิตอืมจิตให้เริ่มจากจิตนอ้อจากจิตของเราไหมจิตจ ม, มันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงคงงงมุดตัวตนล่ะมนุษย์ทุกคนจิต อ, อยู่ตรงไห น, นเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เยอะไม่รู้นะไม่ไม่รู้จับกมไม่รู้อืม รู้จากไปเราอยากจะไปโน้นอยากจะไปนี่มันเป็นฉุกหรือมันเป็นทุกข์ไอ้ธุรกิจจริงๆนี่มันก็รูมันไม่ได้จิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรจิตเราไปสมมุติคน ม, มันเป็นจิตเอาสิ่งที่มันรับอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทำลายสิ่งที่รับอืมเหมือนไปเจ้าของบ้าน ใครรับแขกไปจาของบ้านรับแขกอืแขกจะมารับจาของบ้านไม่ได้หรอกจากของบ้านต้องอยู่บ้านแขกมาหาจาของบ้านต้องรับจีตใครรับอารมณ์อยู่ตรงไหนใครเป็นคนรับอารมณ์อืมใครรับอารมณ์ใครปล่อยอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครรู้เรื่องอืตรงนั้นแนวถันหมายความถึงว่าจิตใจ อแต่เราก็พกูบถึงเหตุไปเหมาะอะไรมันเกิดจิตอะไรมันเกิดใจในวุ่นกันจนไปแล้วจะได้เข้าใจมากถึงนรื่องีอะไรมันรับอารมณ์รับอารมณ์ได้อารมณ์บางทีมันไม่เข้าไปด้วยแม่มันไม่ชอบอารมณ์บางอย่างมันชอบอารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบนี่คือใครที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมีไหมมีตัวเองยังไงไม่รู้ ่อาใจไหมมันเป็นอย่างนี้หละตัวนี้แหละตัวนี้อืมที่เราเรียกกาจิตจิตอะไรกันนี้เนี่ยตัวนี้แหละอย่าไปดูมันไกลเลยมองตรงกับตรงคิดอะไรเป็นจิตอะไรเป็นวัฏพัดอย่างถูถ่ายกันไปกันมาจนเป็นบา้บาบา้บาบอไม่รู้เรื่องเราจะคิดมันไกลดิบอกว่าตัวเรามีอะไรบ้าง ม, ม, มีรูป กับนามแล้วมีกายกับจิตทั้งทั้งก็พอละอืมเช่นว่าเราจะถามปัญหาว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ะรู้แจ้งแทงตลอดทั้งนั้นอืมอืมรู้แจ้งแทงตลอดเราเลยเย็นเข่าหูเราเลยว่าอื้อหนงเก่ันรูทุกอย่างทุกสิ่งเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาตล้งหกถานมันกันมาอืมตัวไม้ตัวนี้มันมี มันมีกีลากส้งตอบว่ามันมีทาาใหญ่ลากเล็กอากเล็กถอยมันมีกี่ากคนเป็นบ้าเห็นไหมอือตอทั้งลากเล็กถอยเนี่ยลากถอยมันมีกี่ลากลากใหญ่มันมีกี่ลากลากเล็กๆมันมีกี่ลากทำไมถึงถามนี่นั่นเพราะพุทธเจ้าทันรู้แจ้งแจ้งตลอด อกองรู้หมดทางรากฝอยลเลยมันใครจะเป็นหน้าไปนับอยู่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะนจะโง่อย่างไรเนี่ยป่ามันอยู่มันมีรากเล็กรากใหญ่ก็จะพอกันนะมัม้งเนีอย่างเราจะข้ามข้ามป่าไปในใ น, ในป่านี้นะเราจะต้องตัดต้นไม้ทุกต้นไปนนนไื่อทิ้งไปกันเลยถอนทำไมหมดหรไสเรื่อยไปยังไงไหมแดกเฉพาะทางเราไป ไ, ได้ ก, ไไดก็พอแล้วจะไปตัดทางทมันทําไม ต้นไม้ต้นนี้ยรากคอยมันกินรากกระเจงกระเร็งมันเป็นรากแต่พอแล้วมันอาศัยรากเกล็กรากใหญ่อยู่เท่านั้นเน่ยเท่านี้ก็พอมั้อืมถท่นี้ก็พอพระพุทธเจ้าท่ากเท่านี้ก็พอแล้วอืมท่านาใหให้ไปนับรากคอยต้นไม้เสียเวลาจะ น, นับมันไปทำไมมันอยู่พราะรากมันเท่านี้ก็พอแล้วอืมอย่างนี้บางคนไม่พอใจไม่ได้เนะาะพระพุทธเจ้าท่านรู้ทุกอย่างรู้หมดทุกอย่าง อืมต้องไปนับหมดทั้งลากาคอยมันก็เป็นบ้ากันเลยเนีอืมนี่จะไปเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิอืมรู้ปัญญากระชั้งเราคงเรียกว่าปฏิบัติธรรมทฤี่ีก็พออืมแต่ก็ดันเนินจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือที่รับผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละ มันถูกอารมณ์นี่มันดีใจมั่งอารมณ์นั่นไม่ไม่ดีใจมั่งอย่างนี้ตัวนั่นแหละตัวที่รับอารมณ์นั่นแหละมันพาเราสุขมันพาเราทุกข์มันพาเราผิดมันพาเราถูกตัวนั่นแหละตัวนี้ก็ยกขึ้นมาแต่แล้วมันมีตัวน่ะยกสมมุติว่าเป็นตัวเฉยๆแต่มันเป็นนามาทํธอืมดีมันมีตัวไหมชั่วมีตัวไหมสุขมีตัวไหมทุกข์มีตัวไหมไม่เห็นมันมี นึงกลมด้วยนึงเป็นสี่เหลี่ยมนึงมันชันมันยาวขนาดไหนรู้ไหมนี่นี่มันเป็นนามธรรมมันเปรียบไม่ได้แล้วแต่เรารู้ว่ามันมีอันนี้มันเป็นนามฉะนั้นทางรูปกับนามนี่มันไปด้วยกันอาศัยซึ่งกันในการไปทนาเอาน้ําพิจารณารูปเอาใจพิจารณากายอืมเย่ารูปประธรรมนามประธรรม สองอย่างทเนี่ยมี่ฉะนั้นตั้งใจให้เริมจากจิตาทางใจการจิตให้สงบทำให้มันรู้อืมจิตนี้มันรู้อยู่มันก็สงบนะบางคนก่อมันมันรู้ไม่เอาให้มันสงบจนมันไม่มีอะไรไม่ยดูเรื่องจะทําอะไรมหมถ้ามันขาดคนคนนี้เราจะไปเอาอะไรมาอาศัยอะไรท่าน ไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาวมไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกแต่เราทุกวันเรียนกันไปศึกษากันไปหาความผิดหาความถูกหาความดีความชั่วไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนั่นไม่รู้จะหาแต่รู้ว่ามันผิดมันถูกฉันจะเอาถูกผิดฉันไม่เอาจะเอาไปทำไม เอาถูกอีกมันก็ผิดอีกเท่านั้นเนี่มันถูกเพื่อผิดอี่เราก็แสดงฮะความผิดความถูกอหรือแสดงเอาบุญก็แสดงบาปรู้จะบุญจะบาปเรียนกันไปอืมรู้ที่ตรงที่ว่าไม่มีบาปไม่บุญนั่นนะไม่ได้เรียนกันไม่รู้จักอืม เอาจะเรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั้นเราไม่ศึกษากันเรียนจะเรื่องดีชั่วฉันปฏิบัติจะเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาอจะจาเอาดีชั่วไม่เอาไม่ ม, มีชั่วมันก็ไม่มีดีกทนนั่นแหละจะเอาไงมีดเร่ยนนี้บางอย่เนี่ยมันมีทังคมมันมันมีทังสันมันอือนะ มันมีทางด้ามมันทุกอย่างแล้วจะจับจับยกมีดเลื่อนมีดขึ้นมาจะเอาจะคมมันขึ้นไดไหมจะจับมีดเลื่อนมีดขึ้นเอาจะสันมันไดไหมเอาจะด้ามมันไดไหมด้ามมันก็ด้ามมีดสันมันก็สันของมีดคมก็คมของมีดเมื่อเราจับมีดเลื่อนีดขึ้นมันก็เอาด้ามมันขึ้นมาเลยเอาสันมันขึ้นมาเอาคมก็มาด้วยไม่จะแดงไมจะคมมันได้มั้งอย่างนี้เป็นตัวอย่างอย่างนี้อืม เราจะไปแยกกันแต่สิ่งที่มันดีช่วก็จีบไปด้วยอืมพราเราหาเอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันชั่วเราจะทิ้งมันเราไม่ได้ศึกษาว่าไอ้สิ่งที่ไมดีไม่ชั่วเราไม่ศึกษาอืมันดูตรงนั้นอือย่างงั้นมันก็ไม่จบอืมเอาดีไปชั่วกว็ต า, ามอืม มันตามกันนอยู่อย่างนี้ถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงศึกษาธรรมะ ก, กันว่าเอาจะดีชั่วฉันไม่เอาอันนี้มันเป็นธรรมของเด็กความเด็กมันเดินไปได้อย่แค่นี้มันได้ แต่เอาดีไปชั่วมันตามเนี่ยมุ่งไปถึงตายทางมันลกเงินจุดนงินบุญไปง่ายง่ายอ่ะยมมีรูปมาจะให้จะให้เอารักคนเกลียดไม่เอามันมีเืคนก็มีลูกคนทั้งสองอย่างนี้เอารักเกลียดมันก็ยิ่งตามมออืืม ฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งาตาปฏิบัตธิธรรมะให้มีปรรัญญาอืมให้มีปรรัญญามันตามกันมาอย่างนั้นอืมเราไปเรียนดีเรียนชั่วพระนั้นดีดูยังไงชั่วแย่งเรียนมันละเอียดมากสุดะเจนรู้จกักดีจักชั่วอืมเมื่อรู้จกักดีจกักชั่ว เ, เอาอะไรจะให้เอาเอาเอะไรเอาดีชั่วฉันไม่เอา ทำไมเอาดีชั่วก็วิ่งตามเรื่องจริงที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้เรียนกันออืืเราจะเรียนมันรู้จักดีชั่วเดี๋ยวฉันจะเอาดีชั่วฉันจะทิ้งเรื่องที่ให้มันรู้ว่าไม่ดีไม่ชั่วนี่ไม่เคยได้เรียนเรื่องมันจะฉุดจบมันไม่ไเรียนแต่ฉันก็ตังต้งใจนั่งฉันก็ั้งใจนี้ มันจะไม่เป็นอะไรเลยตัวฉ exactly the ันก็มีฉันเนี่ยไม่เป็นไม่ไม่เคยเดือดกันอ่ามันก็ตปดูไปเอาดีอืมพอได้ดีดีดีดีเหือนดีไม่รู้เรื่องไปเมาดีอีกทีนี้ดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแล้วช่วยอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ละแหมไม่จะไปไหนเลยเนาะนี่คือเรื่องตันด็ที่สงบสงบนี่เพื่อพักผ่อนเราสงบเพื่อใมันสงบให้รู้จักคู่ที่รับอารมณ์ ในตัวตนของเราคืออะไรอย่างนั้นตั้งใจคตามเป็นจิตขึ้นไปตามผู้รู้ผู้จิตนี้ให้จุดนี้สุดจิตอันนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์แค่ดีเอาให้ดีมีก็ไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆมันจะเหนือดีเนือเชื่อคนไปอีกมันตีเครื่องบริสุทธิ์เหนือบริสุทธิ์ไปอีกองนั้น หมดมันเพ่งจะหมดนีฉะนั้นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยสงบไปเฉกข่าวสงบไปเฉกข่าวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องมันก็มีผู้รู้เรื่องมีผู้สืบคดีไต่ต า, ตามติดต่อตีภาควิจารเมื่อไปสงบเฉยๆเนี่มีอะไรเนอะโยมสงบอยูบทุกท่าน บางทีท่านตัวไอ้โขคนที่ขังตัวขังตัวหลายไปเห็นเนี่ยความสงบนั่นแหละคือการปฏิบัติที่แน่นอนสงบไม่ใช่สงบมือจิตไปสงบอย่างนั้นมันสงบจากสุขหรือทุกแต่ก่อนฉันจะเอาจะเอาสุขทุกฉันไม่เอาสงบเลยเพราะฉันตามไปตามไปตามไปโ อ, อ้เอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบายอยู่แล้ว อมันจิดตามกันไปมาจนทําว่ามันไม่มีสุขมีทุกข์ซะในใจของเรานั่นนั่นแหละมันสมุอืมตรงนี้วิชานี่เราไม่ใส่เปลี่ยนกันแล้วก็ดูเรื่องมราก็ดูเรื่องเอาใจถูกผิดไม่เอาไม่มีผิดนี่ถูกกัไม่เอาไม่รู้ว่าจะเรียนเราทําไมเรียนมันรู้ผิดลูกถูกจะเอาถูกผิดไปเอาก็ตามกันไปยังไงเหมือนมีเ่เล่นนี่แหละ ฉันจะยกแก๊คมมันขึ้นมาสันมันก็ขึ้นมาด้วยมันติดกันอยู่นี่นี่ให้เชาคิดอย่างนี้มันมีเหตุมันมีปัจจัยอยู่มันก็เกิดไปดีกันดีไม่จบการปลูกจิตของเราให้ปูกทางให้มันแก่ใสขึ้นมาเให้มันเกิดปัญญาอย่าไปเข้าใจไานั่งให้มันเงียบเฉยมันหิ้วทำยากเมาบางคนก็เมา เดินสมาธินั Rabbi, cji, loves, ่งสมาธิเ <tense> ดินสมาธินอนสมาธิบางคนก็ฝัตระวาสมาธิคือกานั่งมันเป็นชื่อมันเป็นเท่ถ้ามันเป็นสมาธินอนมันก็เป็นสมาธิมันคือการปฏิบัติเดินก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิสมาธิกับเดินกับนอนกับนั่งมันคนในอย่างกัน นอนเป็นสมาธิก็ได้เดินมันเป็นสมาธิอยู่ก็ได้มันก็ไม่รืน อ, อืบางคนก็เห็นว่าสมาธิมีแต่นั่งอย่างเดียวบางคนก็บน่นว่าฉันนั่งไม่ได้ข อ, องลำคานนั่งมันคิดตป็นโนมันคิดเป็นี่มันคิดทุกวานถึงช่องยันทําไม่ได้หรอกมืนบาปร้ายให้มันหมดกรรมซะก่อนจริงจะมานั่งไหมเอาไปไปมันหมดกรรมดูลองๆดูดิคิดไปอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้น นี่แหละเรากําลังศึกษาอยู่เรานั่งคุกไปเดี๋ยบเอาไปนน่นแล้วนี่ตามไปอีกนี่สำนโนติเอาเรียไปโน่นอีกแล้วนี่แหละตัวศึกษานั่นไอพวกเรามันเกยโรงเรีย น, นมีนไม่อยากเรียนหนังสือเหมือนเหมือนนักเรียนเนี่ยมันเกเกยโรงเรียนไม่อยากไปเรียนหนังสือคือมันไม่สงบเราไม่อยากนั่งจันไม่เอาเราําคาญนี่แหละตัวศึกษาแหลอย่างงั้นท่านเนะ่ยเป็นนักเรียนที่เก ไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากเห็นมันสุกไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรหรืมันจะรู้ว่ามันคืออะไรไหมอือมันต้องอูรกัการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อืมเมื่อเรารู้จักมันเออจิตใจมันเป็นอย่างนี้นะอ่าเดี๋มันไปนึกถึงโน่นเดี๋มันนึกถึงนี้นึกถึงโน่นแดี๋ยวมันถึงนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันใช่การนึกอย่างนั้นเรารู้มันจะมันนึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถก็รู้มันเองใจจิตมันเป็นอย่างนี้ ถ้าเรารู้เรื่องเรื่องของมันนะ่ถึงวันนั่งเฉยๆมันคิดทั้งโน้นทั้ง น, น, งนี้มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าเรรู้เหมืนไม่ลังคาบไม่ลังคาเลกตัวอย่างเช่นั้นสมมติเถอะว่าบ้านโยมตัมีดิีตัวหนึ่งมัดอาตมาตัวมีดีตัวหนึ่งเมือนกันถ้าโยม อ, อยู่บ้านโยมเรื่องดีอยู่ตัวนึ่งเลี้ยงเนะี่ยมันไม่อยู่นิ่งหรอก เนี S <S ย่ยมันจับโน้นเ น, นี่ยมันบายนี่มันชั้นพัดอย่างนี้กันอย่างไงถ้ายมมาถึงบ้านอัตมาอัตมา ก, ก็มีดีเหมือนกันดินอัตมาก็ไม่นิเหมือนกันเนี่ยดูจับโน้นใบนี่ยมก็ไม่ลำคาญใช่ไหมทำไมไม่ลำคาญเพราะยมเคยมีลิงมาแล้วเฮยดูจักนเองแล้วยุวัฒน์ฉันองเหมือนกันตรงตัวนี้ยุวัดน์งพ่อนี่ยก็เหมือนยุวัดน์ย่บ้านของผมนั่นแหละ มันดิงตัวเดียวกันยอมรู้จักดิ้งตัวเดียวเท่านี่ยยมจะไปกี่จังหวัดตรงก็เห็นดิงตัวเดียวนี่ไม่ลำคานเห็นไหมนี่คือคนรู้จักดิงถ้ารู้จักดิ้งก็ไม่เป็นดิ้งที่เราถ้าเราไม่รู้จักดิงเห็นดิงก็เป็นดิ้งเนีห็นไหมเป็นดิงไป็นท่อโน่นจำดิ้งลำพานใจหมอพอใจดิงตัวนี้เนาะเนี่ยทีนี่คือคนไม่รู้จักดิงคนรู้จักดิงไอเห็นดิ้งอยู่บ้านแล้วก็โอ้ตัวเดียวกัน อยู่ว่าท้าไ่ยงคิดแตเหมือนกันอย่างนี้มันจะลำคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นพุกขพอสงบแล้วสงบแล้วง่ายหรือสงบแล้วทางลิงมันโดดหน้าโดดดังอยเป็นต้นโยมก็สบายใจไม่ลำคาญนําลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จักลิงโดยโยมจึงไม่เป็นลิงถ้ายมไม่รู้จักลิงโยมก็นลำคาญ ยอมรับทานยอมกดเป็นดีเข้าใจไหมนี่นี่แหละเรื่องมันทุกอย่างนี้อารมณ์ละรู้อารมณ์ดิอืเรารู้อารมณ์ดิบางทีเห็นอารมณ์มาบางทีมันชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างนี้ก็ช่างมันอะไรมันเรื่องของมันอย่างนี้อือแต่เป็นแค่นี้กูมันลิงอะไรตัวไหนก็ลิงตัวเดียวแตเรารู้อารมณ์ออากานมันเป็นอย่างนี้บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้เรื่องอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ ให้เราลุกจักอารมณ์ลุกจากอารมณ์แล้วก็ปล่อยนะอารมณ์นี้มันก็ไม่แน่นอนเนาะมันเป็นอณิจังตกขังในตาดังนั้นแหละลําคาดจะบึ้มมันต่างกันเราดูกันไปเราแบอย่างนั้นแหละจะนั่งที่ไหนาตาหูจะโมกยิ้ยนตายใจเมือารมณ์เ ก, กิดสมาภูมิมันก็อย่างนั้นสมมตินเรามีมาเห็นลิงลิงตัวนี้ก็ตัวอยู่บ้านเราก็แบบมันอย่างนั้นนะ เมื่อขนาดนั้นเนี่ยไม่สงบขนาดนั้นเนี่ยอารมณ์มีขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์ดีเราใจริ่มตามอารมณ์ทำไมเรารู้จักอารมณ์อารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเกินนี้เดี๋ยวมันเกินนั้นอืมมันคือไอยู่อย่างเก่ามันอยู่กดดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมทุกวันนี้โยมก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงหายใจอย่นี้บางทลมมันออกแล้วอารมณ์มันเข้ามา มันเปลี่ยนอยู่เนี่ยโยมอยู่ในเนี่ยอยู่ในความเปลี่ยนแปลงลองโยมสืบโยมเขาอย่างเดียวดีไม่ให้ออกอนะอยู่ดูกี่นาทีไหมไม่ออกอย่างเยวาย่ายมันเข้าอีกนี่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไห ม, มนี่มันอยู่ไม่ได้จําเป็นต้องหายใจออกหายใจเข้าอยู่อย่างนี้ช่วเดินมาช่วยบัพทันสังเ็ตเนี่ยถ้าอัดลมไปจ่ายน่นตายเหรอตอนนี้ไม่ได้ถึงหรอกอ นี่แหละเข้าใจอย่างนี้อารมณ์กูเบิตันมันจะต้องมีเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาออืออถ้ามันไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกถูกก่อนคือมองเห็นความผิดหรือผิดก่อนมันถึงจะถูกเป็นเรื่องธรรมดามันมีปัญญาอารมณ์เน่มันมากสุดๆยิง่งดีถ้าเป็นนักศึกษาเนาะนักเรียนนะอะือันนี้เราเห็นอารมณ์ที่นายชอบเลยไม่อยากจะทาไม่อยากจะดูมัน เบื่ออะไรมันอะไรมันนี่แล้วเดี๋ยวเด็กมันเติมเรียน ม, มันไม่อยากรับรู้ครูส อ, อ น, นอารมณ์นี่แหละมันสอนเราไม่ใช่อื่นเนาะอือนี่เมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมะทั้งหกอารมณ์มันก็จะเนอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องของมันอย่างเงี้ยเหมือนโยมเห็นลิงเนี่ยลิงอยู่ว่าโยมไม่ลาคาญไม่เห็นลิงอยู่นี่ก็ไม่ลาคาญเหมือนกันเพราะโยมรู้เรื่องของลิงแล้วเห็นไหมสบาย นั่นนี่ปฏิบัติธรรมะถึงมั่นกันธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะนี่ไม่ใช่ใบยูรูไกนะมันอยู่จิตจิตกับเรานี่แหละเรื่องของเรานี่เองเรื่องธรรมะอืมไม่ใช่เรื่องเทะบุตรเทปดาน้องเรื่องของเราทำเรื่องเราทําอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องของเรานี่คือเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นอืมอยู่หนังสือก็ไปตรวจดูหนังสือหนังสือก็ไปเขียนใส่เอาเรื่องของเราไปเขียนใส่ตรงนั้น อเนั่นไม่รู้เรื่องก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่องธรรมะก็คือ เ, คเรื่องของเรานี่ยเป็นธรรมะกับพิจณาตัวเรานี่อืบางทีมันมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีสบายบางทีลำคาญบางทีรักคนนน้นบางทีเกลียดคนนี้นีนน่คือธรรมะเห็นไหมต้องอ่านอารมณ์มันนี่ให้รู้จักธรรมะรู้จักอารมณ์นี้ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้เห็นมาอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบาย มาเกิดลุกบุกขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันไม่แน่แล้วเนี่ต่อไปอารมณ์มันเปลี่ยนปุกบเกิ ด, ด, กดนี่ขึ้นมาปุ๊บอัน น, น, อนี้สบายแน่สบายงหมือนโยงเห็นดีอยู่บ้านโยมก็มาเห็นิีอยู่ว่ามันทําจักรกับตัวเรียวกันโยงก็สบายไม่ได้สงสัยแล้วถ้ารู้จักอารมณ์เลนั้นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นอารมณ์นั้นไม่แน่นอนทุกอย่างนี่น ยมเคยดีใจมีไหมเคยเสียใจมีไหมหนึ่งตอบแทนก็ดับแน่ไหมไม่แน่ไม่แน่นอนอย่างนี้เราจึงรู้สิ่งที่ว่าอันที่เดียวที่มันไม่แน่นี่แหละนี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ใครเห็นสิ่งที่ว่าไม่แนแ่คนทั้งนั้นเห็นมันแน่นอน ม้านมันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยทํำไมมันอยู่ทั้งวันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าให้เห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะนี่ถ้ายมรู้จากอานิจจังมันไม่แน่นอนเท่านั้นแหละยอมก็จะปล่อยวางเองไม่ไปยึดมันถือมันมันออื อันนี้โยนไปแก้วนี่ฉันไม่แตกแก้วไม่แตกแล้วเนี่ยรักษาไปเนี่ยยังมาทําฉันแก้วฉันแตกก็ไม่น่ายเนือเนี่ยโยนจะไปห้ามของมันแตกมันจะห้ามได้ไหมนี่ไม่แตกเวลานี้ต่อไปมันจะแตกเราไม่ทําแตกคนอื่นจะทําแตกคนอื่นไม่ทําแตกใจไม่จะทําแตกแก้วใบนี้พระพุทธจะองค์ท่านยอมรับใช่แก้วใบนี้อยู่ดี ท่านมอง อ, อนนินทะลุเข้าไปแก้วใบนี้น ม, นมันแตกแล้วเห็นกกแก้วไม่แตกนี่ท่านในรู้ว่นน า, ว า, วากกแก้วใบนี้มันแตกแล้วจับทุกทีท่านก็แก้วนี้มันแตกแล้วดูน้ำมก้าไประวางไว้ท่านก็บอกแก้วมันแตกแล้วนะนีความเข้าใจาของท่านบปอย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบมันไม่แตกอืทําไมท่านจึงรู้จักว่าแก้วใบนี้มันแตก เพราะมันไม่แตกมันเป็นรูจากมาแสบแตกเพราะเมื่อไรมันหมดแก้วไม่ดีเมื่อไหรมันมมจะแตกก่อนมันก็แตกฉะนั้นท่ า, ทานทําความรู้สึกอย่างนี้ต้องปอไปใช้แปรอะไรมีไปอีกวันหนึ่งมัน ด, ดูดูแตกเพราะสบายเลยท่านไมสบายเพราะฉันเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วเนี่ยเหไหมอือพายโยมี แต่ผมน่าสารดิแม่ฉันแพงมันนะโงยังมาทํำให้มันแตกนี่เนี่นเ่ี่ยกี่ปันชุน่าคนมาทําแตกตัวชุน่าก็ขามมันดีนะนี่เอาสิลูกมันมาเพียดมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเองมันมาทำให้แตกข้อเราไปกันทํานบไว้ไม่ห้น้ามันไหลออกไปกันไม่ทีเดียวนะไม่มีทางระบายน้ําสายนี่มันก็แตกตรงนั้นน่ะทําไมต้องทําสายทําระบายไว อาน้านแค่นี้กระบายทางข้างนี้ลง ม, มาเต็นที่ให้มันออกไปชนิดนะฮะต้องมีทางระบายอันนี้ท่านเห็นอันนี้จังมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นท่านก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้โยมจะสงบที่คือปฏิบัติธรรมะโดยส่วนรวมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นาตะมาถือว่าการยืนเดินนั่งนอนตะมาปฏิบททัติไปเรื่อยๆมีสติคุ้มคลองอยู่เสมอเลย นี่สมาธิคือสมาธิอืมปัญญาก็คือสมาธิสมาธิก็คือปัญญาอืมพูดได้มันอันเดียวกันมันเหมือนกันแต่มันไปแยกโดยลักษณะเท่านั้นมันก็อันเดียวกันนี่ตกตรงก็ไม่เขี่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นอนิจจงแปลว่ามันไม่แน่เราเห็นชัดกระจายว่ามันไม่แน่นั่นน่ะคือเราเห็นมันมันแน่ แน่อะไรแน่มันจะเป็นไปอย่างนี้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นนี่เห็นไหมเท่านี้เห็นเนี่ยรู้จักพระพุทธเจาา้าแลยกราบพระพุทธเจาา้าแล้วได้กราบธรรมะทันแล้วอืมเอาหลักนี้ไปทีนาถ้าโยมไม่ทิ้งพระพุทธเจา้าโยมจะมทุกข์หรอกโยมจะทุกข์ถ้าทิ้งพระพุทธเจ้ามัได้ทุกข์เลยทิ้งอ น, นิจจังุกและอันตาเม ร, รัยทุกข์ให้เข้าใจอ ย, อย่างนี้ ขนาดนี้จะมาว่าการปฏิบัตินี่มันพ อ, พอทุกไม่เกิดไม่เกิดจรับมันได้ง่ายๆเดี๋ยวก็จะมีเกี่ยวกับทุกไม่เกิดต่อไปมันจบตรงนั้นแนี่ยทุกไม่เกิดทุกไม่เกิดเพราะอะไรเนะพราะอะไรไม่มีเพราะตาระงดเหตุคือตัวสมูทัยนะีน่ยนี่ตัวสมู ท, ทยนะัยมันจะแตกเลยนี่ มื่มันแตกทุกข์เกิดมาเลยยังไเรารู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นเหตุทุกข์เกิดต้องพิจารณามันจะอันนี้มันมีแน่เนาะนี่มันมีแน่เต็มตัวสมุทัยเมื่อมันแตกทุกข์เ่ไรเป็นต้นเหตุที่ใหมนี่ทําละเหตุจ้ะทำมันเกิดเพราะเหตุดับมันก็ดับเพราะเหตุอันนี้ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้วใบนี้มันแตกอือแล้วก็โมโหขึ้นมาเป็นทุกข์ เราจะบอกไว้แก้ไว้นี้มันแตกแล้วสมุทัยมันก็ดับไม่มีเมื่อมันแตกก่อในพุ่ง น, นั้นเราเห็นมันแตกก่อนแล้วครับนี่มันแตกคีอหลังมันก็เลยไม่แตกเมันไม่มีทุกถ้าไว้มีทุกมันก็เป็นมีโรธหลับทุกพอดับเหียรแทงทุกนั้นเรื่องทีนี้นายยงไม่มากรนะเรื่องทีนี้เดีจะพิจารณาไปเถอแต่มาเรื่องส่วนสามเพราะมันก็คือกายวาจาใจ อย่าออกจากนี่ไปเลยพยายามอยู่ตรงนี้พิจาราต่อไปนี่ ม, มันอยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจข้างในนี่ไปพูดไง่ายทุกทุกคนห้มีศีลห้หาเป็นพื้นนี่ไม่ต้องไปรเรียนประกายปรกหรอกรโยมศีนห้านมีใจกระใจ ดูสิ น, ามมน่าพยายามสม่ำเสมอระวังไว้ที่แรกมันคลาดไปเดี๋ยวุดกลับมาแลักาติบางีมันงบางงานมันพลาดไปลูกกลับมาอย่างนี้นทุกขรัง้งทุกคราวทุกครั้งทุกคราวมันก็สติแล้วมันก็ถีเขาเหมือนน้ำเหมือนน้ำเหมืนน้ำในกาหน้าเรา อปล่อยน้ำมันมันไหลลงอหยดตมตมตมนี่สายน้ำมันขาดมันก็เล่งตานี่สื่นให้มากน้ำมันก็ได้ต่อมต่อมต่อมต่มต่อมตมเนี่ยเล่งขึ้นไปอีกหายตมเลยทีสายติดกันเลยเป็นสายน้ำเลยยอดแห่งน้ำไม่มีไปไหนเ่ะมันไปไปไหนหรอกมันกลายเป็นสายน้ำ มันขีดจนเกินขีดมันได้ติดกันจ้ะเห็นไหมมันได้เป็นสายน้าอย่างนี้ธรรมะมีเรื่องเดียวอย่างนี้เรื่องอุปมาให้ฟังเพราะว่ามันมมีอะไรธรรมะมันเป็นชีกรมมันเป็นเดี่ยวมันสั้นมันไม่ไม่ไม่ดูจักนอกจากเปรียบเทียบอย่างนี้จะเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะมันเป็นไปอย่างนั้น อยากเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเราอยู่กับเราเป็นเรื่องของเรานี่ยนะธรรมะลองดูสิเรื่องแต่ดีใจเรืกกงแเสียใจบักเรื่อง่พอใจบ้าเรื่อไม่พอใจบักงเรื่องแตโกรธคนนั้นบ้างเรื่อเกียดคนนี้ธรามาทั้งนั้นไงโยอให้รู้จาของนี้ว่าอะไรมันจะพยายามให้ทุกข์เกิดนั่นแหละทำาย่ามันทุกข์นแัแหละแก้ไขใหม่ เื่อใช้ใหม่มันยังเห็นชัดถ้ามันชัดแล้วมันไม่มีทุกเหตุมันดับไปแล้วฆ่าตัวสมุติไทยเจเหตุเจอทุกข์เกิดไม่มีทุกข์มันก็เกิดไม่ได้งั้ถ้าทุกข์มันเกิดอยู่ท่ายังไม่รู้มันยังทนทุกข์อยู่อันนั้นยังไม่ถูกดูเอาง่ายง่ายอันจะมาดูอย่างไงมันจะผิดตรงไหนเนามันดูไม่ได้เอย่างเมื่อไรมันทุกข์เกินไปเกิดขึ้นมานั่นแหละมันผิดแล้ว เมื่อไรมันสุบจนเหืมใจเกินแต่นั้นนะมันผิดแล้วมันจะมาจากไหนต้องเชื่งมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวเลยนั่นมันผิดค้นหาเลยอืมถ้าเป็นเช่นนี้ยอมไม่มีสติอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนไปมาสารพัดอย่างนี่ถ้าย่มมีสติทำไปสัญญะอยู่เสมอถ้ายอมรู้อยู่รวมจะต้องรู้ผิดถูย่มจะต้อง รู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างยอมจะรู้จักเมื่อยมรู้จักโดยยมก็รู้จักวิธีแก้ไขนะแก้ไขมันโดยว่าทีว่ามันไม่เห็มีทุกอืมเนี่ยไม่เห็นมีทุ ก, ทกถ้ามันมีสุขมีทุกมันเมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเมาธรรมะนี่ก็เมาในโะยมนะนี่ข้าเหีียวข้าเจ้านี่เมามืนกันไม่ต้องทําเป็นเหล้าเป็นสุราหรอก ทานมันมากต่อไปเดี๋เมาเหมือนกันเมาข้าวมันเมาเหมือนกันธรรมะนี่ก็เหมือนกันอย่าให้มันเมาอเมาธรรมะอยู่ในอยู่เหมือนกันนะอืมเมาธรรมะมีคลื่นไหลนี่เวยเห็นกันมาอย่าจับแขนมาเทศเดี๋ยวฟังถึงดันมันเมานี่คนเมาธรรมะเลยเอาเช่นนั้นเนี่ยไอ้คนนั่นกูควรจะเอามันคนนี้กูควจะโกรธว่าน่ย เลยเทศโปไปทั่วบ้านทงเมือเนเมาเมาธรรมะไม่แตกกันก็นมเมาเล่าหรอกใครพ่ายกันเนี่เมาธรรมะเนี่ยาเลยต้องรู้ไปอีกจะเป็นธรรมะอยู่เท่าไหเหมือนเมาในทุกอือ น, นี่การเรียนสมาธิอาตอมาให้เรียนสมาธิแบบนี้ถึงเวลานั่งก็ให้นั่งแต่พอสมควรในที่เป็นการให้รู้เรื่องว่าการสมาธิไม่ใช่แบบนั่งอย่างนี้อันเดียว ส้งปลยมันคายทอดประสบอะไรต่างๆอะไรลู่ขึ้นมาทีนาลนะลู่ขึ้นมาทีนาพีราให้มัรู่อะไรล่ะพีนาเสนออันนี้อันนี้จังตัวขังอันนาตาไม่แน่เส้นของไม่แน่ทั้งนั้นนายโยมอืมไม่แน่อืมอันนี้มันสวยแต่ไม่แน่ฉันชอบเหลือเกินเออไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกบอกมันนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกัน ทำไมถูกเบี้ยเลยโยมไม่มีสิทธิ์อ่ะนะจะโยมจะเอาเงินทีฉันยาวอย่างนั้นมันแน่เดียวกันแน่ไปซะแล้วอนี่อย่างนั้นยามันจะชอบขนาดไปก็ชังมันเร้อขยับมันหมดเงินแน่อาหารบางสิ่งบางอย่างทางก็แหว่อร่อยเยอเกินแง่ฉันชอบมันเยอะเกิน อย่างนี้มันมีความบริสุธิในใจอย่างนี้เราก็ต้องทวงไปอันนี้ไม่แน่แต่อย่ารู้จักมันแม่ไหมโยมชอบอาหารอะไรทุกวันแน่แลยกันอ่อยมันทานตะวันตะวันตะวันไหมทุกวันนะอย่าโยมจะบ่นอู้อันนั้นมันมันไม่อร่อยแล้วไม่แน่ลองดูดิต่อไปฉันชอบวันนั้นอีกเอาทุกวันอีกอ่าแม่อีกละนี่มันต้องการมันต้องการถ่ายทอดโยม เหมือนรมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าออหายใจออกมันอยู่โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกอย่างอยู่โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นอยู่กับเราไม่ใช่อื่นถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งมันก็สบายจะยืน ม, มันก็สบายไม่ใช่แต่สม า, า, าธิคือการนั่งหรอกบางคนก็นั่งจน ห่วงเหาเหงานอนอยู่อย่างนั้นจะตายเลยนะในรู้จะไป an. ทิศใต้สป็นเหงาแล้วเนี่ยอย่าเป็นความก็นานเัยทิมันง่วงพอสมควรเนี่ยเบิร์มันเปลี่ยนนียบบมันไอ้ให้มันมีปัญญาดิอืมเนี่ยถามันง่วงเต็มทีมันฉแล้วมันจังวะก็ให้มันนอนซะแล้วก็ลีบลุกซะทําเพียงอย่างนี้เอย่าปล่อยให้มันเมา เราเป็นนักปฏิบัติจะต้องทําอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลรูล้รู้รอบปัญญารวมความรู้รอบรู้ไม่รอบไม่ได้ไม่รู้ข้างเรียไม่ได้ต้องรู้รอบอย่างนี้เ้นวงกลมรู้รอบอ ม, มันจะมาท่าไหนก็เอามาันอย่างที่เราอยู่อย่างนี้ละเราจะทําไงไหมอืม แล้วจะตัวไหนอยู่อย่างนี้เราก็พิจารณาอะไรสังขารตัวไก็เอาจบลงแล้วมันจะเต็นเมื่ อ, อไรก็เอายืนเดินนั่งนอนดูสึดอยู่อย่างนั้นอืมความสังขารมันจะพากเมื่อไรก็เอานี่ต้องตั้งอย่างนี้ไม่ต้องร้องไห้เหมือนบบเดิม อย่างนี้นายยอมจะมีความสงบสุขก็ไม่เอานายอม น, นะสุขไม่เอาเดี๋ยวมันหายหรอกเอามันสงบไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์คือความสงบเดินไมงต้อืมให้มันหมักหมักขึ้นไปยังไงในรูเรื่องของมันบทแรกให้เราลู้ออกจาก ใจกับกายของเหล่านี้ให้เห็นเป็นอนิจจังว่ามันไม่แน่ทั้งกายและจิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันว่ามันไม่แน่เก็บไว้ในใจแม่ทานอาหารสิ่นี้แมมันอร่อยได้เกินหน้าบอกว่าไม่แน่โชคมันก่อนเลยมันชคเราก่อนแล้วต้องโชคมันเล้ ต้องโชคมันก่อนมันชอบใจอันนั่นบอกว่าไม่แน่ต้องชคมันก่อนเลยอันนี้แต่เขาชคเราทุกทีทุกทีถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบฉันไม่ชอบก็เขาทุกโชคเราทุกทีถ้าชอบฉันก็ชอบเขาชคเราทุกทีเราไม่ได้ชคเขาเลยต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อไรเราชอบอันไรก็บอกว่าเออบอกในใจเลยเอออันนี้มันไม่แน่ อะไรมันชอบในใจของเราบอกนี่อันนี้มันไม่แน่เอาในที่นี่นะต้องทำพิณทุกมันใหม่เถอะเห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเป็นอย่างนี้การปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการนอนโยมจะมีความโกรธได้ทุกอิริยาืมเดินก็โกรธได้ นั่งก็โตดได้นอนก็โตดได้อยากได้ทุกขณะบางทีนอนอยู่มันก็อยา ก, ย น, ก, ยากนิ่งอยู่มันก็อยากนั่งอยู่มันก็อยากเราจริงปฏิบัติผ่านมันก็ไปถึงอุปยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้สมองสมอไม่มีหน้ามีหลังว่างกันนะแบบที่ว่าพูดไม่มีหน้ามีหลังกันละเอากันอย่างงี้มันถึงดูรอบอยู่อย่างนั้นอืม จะไปนั่งให้มันสงบยังงี้ซะในเรื่องมันวิ่งเข้ามาบอกอีกยังไม่จบเรื่องเรื่องเงินวิ่งเข้ามาอีกเงินเงินวิ่งขึ้ามาอีกเงนยังคันเนือ้อคันตัวลง <c oughs> ไปแล้วนี่มันวิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอออันนี้มันไม่แน่ชกมันก่อนเลยเรื่องอะไรก็ช่างมันวิ่งมาเอออันนี้มันไม่แน่ มันต้องชกมันด้วยอืๆใจมันก่อนอเดียวจะเดี้อันนี้ลเลยว่ารู้จักจุดของมันสำคัญถ้ายอมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี่ว่ามันในแน่ให้ความคิดของยอมที่มีในใจมันจะคอยขี้คลายออกมันจะค่อยขี้คลายออกเพราะเราเห็นว่ามันแน่บางอย่างเนงะี้ยมันก็มันใช่เข้าไปนี่ เราเห็นมันมัเนเนี่ยเราผ่านมาแล้วมันเห็นมาหลายๆเลยอะไรก็อย่างนั้นแหละวันรังกระพิณายังเงินแหละอะไรนี้แหะอันนั้นก็ยังเงินแหละอันนั้นก็ยังนั้นแหละภาวาคำเดียวเท่านันอย่างนั้นแหละม่ามกลางอย่างนั้นแหละเตือนนั่งนั่งก็พอละมั่งนี่ เราจะไปหาอะไรจะไปหาข้นธรรมะอะไรตรงไหนต้องจะต้องไปหาอ่านหนัสือไปเปิดดูธรรมะที่ไหนตัไม่รู้มันเกิดอยี่นี่จะไปหานอนมันจะเห็นนี่แหละหาตรงนี้แหละวันนี้มันทุกข์ดูมันทุกข์เพราะอะไรเห็นแล้วนั่งอย่างนี้้าแก้วจฉันนี่มันแตกมันจะเกิดทุกข์มาเลยนี่นี่เห็นแล้วนะเออหือมันเกิดทุกข์มาวันนี้เกิดหนู เพราะแม่ว่านพูดไปเขาหูุดหยิดแหน่น้ำเหตุมันอยู่ตรงนั้นเออมันไม่แน่ล็อกไปฆ่ามันไปซะทุกอย่างทุกอย่างจุดจุดจุดมันไปอย่างนี้เดินหน้ามันก่อนดิอันนี้ไปเดินหลังเท่านีอืมมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่อื่นดอกถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้นะล่ะเราจะเป็นคนสงบเป็นคนสงบแต่อยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็สำเร็จ แต่ว่าสงบจริงๆก็ไม่ไม่เชิงเหนโยมรู้จักน้ำน้ำ ม, มันไหลไหมน้ำไหลโยมรู้จักไหมเคยรู้จักไห ม, น, มน้ํามันไหลเคยรู้จักไหมน้ํานิ่งโยมเคยรู้จักไหมนี่ถ้าใจแล้วมันสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับ น, น้า ม, มันไหลนิ่งโยมเคยเห็นน้าไหลนิ่งไหมแน่น ก็โยมเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ําไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นนี่ตรงนั่นแหละตรงโยมยังคิดไม่ถึงแล้วแต่มันเฉยมันก็เกิดปัญญาอืี่เรียกว่าใจดูใจของโยมนะ่ะมันจะคล้ายๆน้ํามันไหลแต่ว่ามันนิ่งดูมันนิ่งดูมันก็ไหลเลยเรียกว่ามันน้ า, นาไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้ อืมเอ๊ะอ้าลองลดูิอืม